รู้จักฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยเป็นชาวอังกฤษตอนที่รู้จักนั่นก็ตำาหนก็ยังเป็นแค่นักเรียนมัธยมนะมส5หฝรั่งคนนี้ชื่อ Nicholas นะิโคลัสเบนเนตเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนะแต่ว่าทำงานให้กับยูเนสโกเป็นคนที่ ปากดังทับเพื่อเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเมื่อสักสี่สิปีที่แล้วเนเป็นคนที่เรียกว่าสมัยใหม่นะแต่ว่ามาสนใจพุทธศาสนาแล้วก็ปรัจญาตะวันออกภรรยานี่ก็เป็นครูโยคะคนแรกอัตมา 40ปีที่แล้วนี่โยคะมันถือเป็นเรื่องของคนคล่าคลื้อนะยังไม่ได้เป็นเรื่องสมัยใหม่เหมือนกับปัจจุบันแต่ว่าฝรั่งคู่นี้ก็เรียกว่าเล่นโยคะได้ได้ก้าวนามาอาทิตย์หนึ่งก็จะมีการอดอาหารสมัยนั้นการอดอาหารก็เป็นเรื่องแปลกนะอย่าวก็แต่คนไทยเลยฝรั่งก็ถือเป็นเรื่องตลกนะอดอาหาร วันละอ า, อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละวันแต่เดี๋ยวนี้นี่การดีท็อกซ์เป็นที่นิยมนะดีท็อกซ์นี่ก็ต้องมีการอดอาหารด้วยนิครัสนี่ก็มาทำงานที่เมืองไทยอยู่หลายปีนะประมาณเกือบสิบปีแล้วก็ตหลังเขาก็อยากจะไป ทำงานในประเทศที่ยากจนกว่าเมืองไทยตอนที่เขาอยู่เมืองไทยนี่ก็ก็ทำงานแบบสมบุกสมบันมากนะไปช่วยชาวเขาเดินทางนะไปขึ้นเขาลงห้วยเพื่อส่งเสริมเรื่องการศึกษาสำหรับชาวเขาตอนหลังก็ย้ายไปเนปาลไปทำงานให้ธนาคารโลกเป็นเจ้าที่ระดับสูงนะแต่ว่า ไม่ยอมอยู่เมืองหลวงนะเรื่องที่จะไปทำงานในชนบทกไกลๆซึ่งรถก็ไปไม่ค่อยถึงนะต้องนั่งเครื่องบินไปตอนที่เขาไปอยู่ในป่านี่ก็ก็มีทุล่าต้องเข้าเมืองหรือว่ามาเมืองหลวงบ่อยๆเป็นระยะยะเพื่อมาอประชุมกับรัฐมนตรี หรือว่าอ่าอราชการระดับสูงไอ้ที่ที่เขาอยู่เนี่ยนะมันก็ไกลนะจะเดินทางเนี่ยก็ต้องนั่งเครื่องบินสนามบินนะหรือที่ถือว่าคือลานบินนะไม่ใช่สนามบินนะเรียกว่าลานบินดีกว่ามันก็อยู่ห่างจากที่เมืองที่เขาพักมาก ต้องขึ้นเขานะประมาณสองชั่วโมงนะคำว่าขึ้นเขานื่ไม่ถูกนะต้องวดปีนเขาดีกว่าเพราะว่าไม่ได้นั่งรถนะต้องปีนเขาประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ลงเขานะไปยังหไปยังหุบเขาอันนี้เร็วหน่อยนะก็เป็นแค่ชั่วโมงหนึ่งไปถึงแล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะนั่งเครื่องบินได้นะเพราะว่า ถ้าภูมิอากาศมันไม่ดีนะเครื่องบินมันก็มาลงจอดไม่ได้ปีนเขาแล้วก็ลงเขาถึงลานบินแล้วก็ต้งองรอรอนี้ก็ไม่รู้ว่าจะรอกี่ชั่วโมงนะกว่าเครื่องจะลงได้บางวันเนี่ยรอเป็นวันเลยนะเครื่องบินไม่มาเพราะว่า ทัศนวิสัยไม่ดีเนื่องจากเนปาหนี่อย่างที่เราทราบมันภูเขาอะนะก็ต้องปีนกลับนะกลับบ้านนะอีกสองสามชั่วโมงนะแล้ววงขึ้นค่อยมาใหม่มาวันที่สองนี่ก็ไม่แน่ว่าจะได้นั่งเครื่องก่อนนะเขาบอกว่าเนี่ยบางช่วงเนี่ยนะขึ้นเขาลงห้วยไปกลับเนี่ยทุกวันเนี่ย ตลอดทั้งอาทิตย์เลยนะกว่าจะได้มีโอกาสนั่งเครื่องบินนะไปกาดบันทุกถ้าเป็นเราเนะอืมคงหงดหินหน้าดูเลยเพราะว่าปีนเขาเนี่ก็เหนื่อยอยู่แล้วเนะสร็จแล้วก็ต้องไปนั่งรอรอนี่ก็ไม่มีความแน่นอนเลยว่าจะได้เดินทางหรือเปล่านะ แค่บางครั้งเนี่ยก็เสียเที่ยวเสียวเวลาต้องกลับไปที่พักเหนื่อยตัางหากแต่วันนี้ครัสเนี่ยเขาเป็นคนที่ฉลาดนะเขาเป็นคนที่วางใจถูกเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเราเอาไปจดจ่อ ที่จุดหมายปลายทางนะไม่ว่าที่ลานบินหรือว่าที่การบรรทุเนี่ยมันจะเครียดยิ่งหาความแน่นอนไม่ได้เนี่ยก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่แต่เขาก็ได้เรียนรู้ว่ามันจะดีกว่านะถ้าหากว่าไม่ต้องไปสนใจจุดหมายปลายทางระหว่างที่ปีนเขาระหว่างที่เดินทาง ก็มีความสุขกับการเดินทางนะชมนกชมไม้ชื่นชมธรรมชาติแล้วก็ถ้าเหนื่อยก็นะจิบกาแฟจิบกาแฟในป่าบนเขาเนี่ยชมล้วมันก็มีความสุขดีนะพอเขาปรับใจแบบนี้นะในการ เดินทางไปลานบินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทุกทรมานเลยเพราะจุดหมายเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ลานบินแล้วนะแต่อยู่ที่สิ่งที่เขาพบเห็นระหว่างทางมีความสุขนะระหว่างทางมีความสุขระหว่างเดินทางมันก็กลายเป็นเรื่องเพลิดเพลินได้ คนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคนส่วนใหญ่ในเวลาเดินทางเนี่ยก็คิดแต่ว่าจะให้ถึงจุดหมายปลายทางถ้ามีอะไรที่ทําให้ไปไม่ถึงหรือว่าถึงช้าหรือว่าไม่มีความแน่นอนนะรถจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเดินทางเสร็จแล้วก็ยังมีรถติดนะก็หงุดหงิด น, นะหลายคนเนี่ยถ้านั้งที่ไปเที่ยวนะ ท่า น, นที่ไปเที่ยวแต่ว่างุดหงิดตลอดทางเลยเพราะว่าใจเขาไปจดจ่ออยู่ที่จุดหมายข้างหน้าทั้งที่ระหว่างทางเนี่ยมันก็มีสิ่งสวยงามนะให้ชื่นชมได้อาจารย์ประมวลเพลงจันนะก็เป็นคนหนึ่งที่น่าสนใจตอ น, นอายุห้าสิบต้นต้นตนี้ก็ตัดสินใจ เกษียจากรกาชการนะเคยเป็นอาจารย์มอชเมื่อเกษียแล้วก็ตั้งใจว่าจะเดินเท้าจะเดินเท้านี่นะจากเชียงใหม่เนี่ยกลับไปบ้านเกิดที่สมุยนะระยะทางก็พันห้า้กิโลเมตรได้มั้งไม่ใช่เดินเท้า เ, าเปล่าๆนะปณิธานตั้งปณิธานว่าจะไม่พกเงินนะจะไม่มีเงินสักบาทติดตัวไปเลย เป็นการสแสวงบุญนะเป็นการจาริกยิ่งกว่าพระธุดงค์พระธุดงค์นะี่ยังมีโอกาสนะยังมีความหวังว่าจะมีคนใส่บาตรทุกเช้าถ้าอยู่ในย่านชุมชนหรือผ่านหมู่บ้านแต่ว่าอย่างกรณีจาระมวนนี้ไม่แน่ใจเลยนะว่าจะมีคนหามีคนให้อาหารหรือเปล่าแทนก็มี เงื่อนไขข้อหนึ่งคือจะไม่ขออาหารใครไม่ขอน้ำไม่ขออาหารใครสุดท้ายแต่คนหนึ่งก็จะเมตตาเราก็จะไม่ไปไปนอนค้างบ้านเพื่อนด้วยจะไปในที่ที่ไม่มีคนรู้จักสามข้อนี่นามัยยากลำบากมากมีช่วงหนึ่งก็เดินผ่านซอยถ น, นนนะก็เลยคิดว่าเออ แวะขึ้นไปยอดดอยหน่อยวันนั้นเนี่ยไม่ได้กินข้าวเลยมั้งไม่มีคนให้ข้าวเดินเกือบจะถึงแล้วก็หมดแรงเป็นลมมีคนขับรถผ่านมาก็เลยาพาขึ้นดอยแล้วก็ให้ข้าวให้น้ำพอมีเรื่องมีแรงได้อ่พักกาย นะจิตใจก็ค่อยแจ่มใสอยู่บนตอชอกพักพก็เดินลงมาพอลงมานี่ยก็พบว่าเห็นทัศเนียภาพมันสวยงามมากนะถึงกับออกปากว่าโอ้มันอศัศจรรย์เหลือเกินนะทัศเนียภาพที่เห็นสองข้างทางระหว่างลงสอกพักพก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะเมื่อกี้เนี่ยเมื่อ ไม่กี่ชั่วโมงนี้เราก็เดินมาทางเนี้ขึ้นมาทางเนี้ทําไมไม่เห็นเลยนะอสัจเนียภาพก็ได้คําตอบว่าตอนนั้นเนี่ยจิตใจมันไปอยู่ที่จุดหมายข้างหน้ายอดดอยแล้วพอจิตใจไปจดจ่อยที่จุดหมายนี่ก็ก็เลยคิดแต่จะเดินไปให้ถึงก็เลยเหนื่อยนะ ลืมมองไปว่าสองข้างทางมันสวยมากนะคนที่เดินทางเนี่ยหลายคนเนี่ยเขามองไม่เห็นความสวยงามของสองข้างทางหรือไม่รู้จักเก็บเกี่ยวความสุขนะระหว่างเดินทางเนี่ยพรใจเขาไปอยู่ที่จุดหมายเรื่องของดิคลัสกับอาจารย์ประมวลนี่มันไม่ใช่ เป็นง่าคิดสา ร, รการเดินทางท่านั้นนะแต่มันยังเป็นง่าคิดสาหรการทำงานด้วเวลาทางานเนี่ยนะคนส่วนใหญ่ก็รอว่าเสร็จเมื่อไหร่จึงจะมีความสุขนะคิดถึงแต่ว่าเนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีกทแต่ที่จริงเนี่ยถ้าเรารู้จักมีความสุขในระหว่างทางานนะไม่ต้องรอให้สุขเมื่อมันเสร็จ แต่ลองที่ทํางานเราก็มีความสุขไปด้วยมันก็ไม่ยากนะเมื่อเรียนหนังสือเรียหนังสือเนี่ยจะไปหวังว่าจะสุขก็ต่อเมื่อเรียนจบหรือว่าเมื่อคะแนนออกแล้วต้องคะแนนต้องดีๆ ด, ด้วยนะต้องนะต้องคะแนนสูงด้วยนะอย่างเงี้ยเครียดเด็กสมัยนี้เรียนหนังสือไม่มีความสุขความไม่รู้จักนะมีความสุขระหว่างเรียน ก็คือต้องมีฉันทะในการเรียนพอมีฉันทะในการเรียนแล้วเนี่ยระหว่างที่เรียนก็มีความสุขนะไม่ต้องรอให้สุขตอนเมื่อมันเสร็จหรือว่าเรียนจบหรือว่าเมื่อผลสอบออกมาภาวนาก็เหมือนกันนะภาวนาเนี่ยหลายคนหงุดหงิดแล้วก็เครียดนะกับการภาวนาหรือการปฏิบัติธรรม เพราะว่าใจมันไปจดจ่อยที่จุดหมายไปจดจ่อที่ผลที่จะเกิดขึ้นนะเห็นความสงบนะการมีปัญญานะการพ้นทุกข์พอคิดแบบนี้เข้านะมันเริ่มเครียดเลยแล้วพอทำไปทำไปก็ยิ่งเครียดนะยิ่งหงุดหงิดเพราะมัน มันไม่ถึงสักทีไม่ได้อย่างที่หวังสักทีแต่ถ้าเราวางนะจุดหมายปลายทางหรือว่าผลสำเร็จนะที่คาดหวังเอาไว้ก่อนรหวงที่ทำเนี่ยยกมือก็ดีเดินจงกลมก็ดีเป็นไงนะสบายไหม มันมีความคิดเกิดขึ้นก็ก็รู้ทันมันนะรู้ระวางรู้ระวางนะผลข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะอยากจะรู้ลูปนามจะมีะความสงบนะจะพ้นทุกข์หรือเปล่ า, เ, าเป็นเรื่องข้างหน้านะอย่าไปสนใจนะ อยามอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วก็หาประโยชน์จากปัจจุบันขนาดไม่ว่าเราเดินทางไม่ว่าเราทำงานไม่ว่าภาวนาไม่ว่าเรียนหนังสือแน่นอนนะจุดหมายปลายทางคือสิ่งที่เราอยากจะไปให้ถึงเราจึงเดินทางนะความสำเร็จคือสิ่งที่เราปรารถนาเราจึงลงมือทำงานนะ ความสงบความพ้นทุกเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากจะไปให้ถึงเราจึงมาภาวนานแต่ทันทีที่ลงมือเดินทางนะหรือทำงานหรือภาวนาเนี่ยก็ให้รู้จักฉลาดนะในการนะมีความสุขนะกับสิ่งที่ทำมีความเพลิดเพลินระหว่างเดินทางไม่ว่ามันจะถึงหรือไม่และไม่ว่ามันจะถึงเมื่อไหรน่ะ ก็ไม่เสียโอกาสนะที่จะเก็บเกี่ยวความสุขหรือว่าทำให้เกิดความเพลิดเพลินในระหว่างเดินทางขาะที่ทำงานจะเสร็จหรือไม่จะถึงหรือยังนะก็เป็นเรื่องอนาคตเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะควบคุมบงังคับบัญชาได้ไม่มีความแน่นอนเลยว่าเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไง ไม่แน่นอนว่าจะเสร็จหรือเปล่าแต่ระหว่างที่ทำเนี่ยก็ไม่เครียดระหว่างที่ทำอก็อยู่กับปัจจุบันไปใช้สติใช้ปัญญาใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ถ้าจาอยู่กับปัจจุบันมันก็เพลินนะมีความเพลินภาวนาก็เหมือนกันนะหรือแม้กระทั่งมาจพภรษา นะนะไม่ต้องไปกังวลหรือว่าไปคุ้นคิดว่าเมื่อไหร่มันจะได้ความสำเร็จอย่างที่ปรารถนาเมื่อไหร่มันจะออกพรรษาสักทีแต่และ ว, วันนะแต่และชั่วโมงแต่และนาทีนะเราก็จิตใจก็ผ่อนคลายมีความสุขกับการปฏิบัติไป อ น, นี้มันเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรทำด้วยอย่างที่พูดเมื่อวานนะว่าเวลาที่เหมาะสหรับการปฏิบัติคือตอนนีนะ้ไม่ว่าการปฏิบัตินะั้นมันจะเป็นภาวนามันจะเป็นการทำงาน ม, มันจะเป็นการเดินทางนะหรือปลูกต้นไม้ปลูกป่า ความันจะเป็นป่าได้นี่มันหลายปีนะก็อย่าไปกังวลว่าเมื่อไหร่มันจะเป็นป่าอย่าไปกังวลว่าเมื่อไหร่มันจะโตนะเราก็ทําปัจจุบันขณะให้ดีแล้วระหว่างที่ทําก็มีความสุขด้วยนะถ้าเราสนใจในปัจจุบันนะทำแต่ละขณะให้ดนะีเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็เสร็จเอง มันก็สำเร็จเองหรือมันก็ถึงเองนะรถจะติดยังไงก็จิตก็ไม่ตกนะที่จิตตกหมุดหมีก็เพราะว่ามันคิดแต่จุดหมายปลายทางเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงพอรถติดนะแต่รถแน่นขนัดก็หมุดหมิแล้วเราคิดวยว่าเออระหว่างที่รถติดนี่เราจะทำอะไรให้มันมีประโยชน์ เช่นตามลมหายใจพลิกมือไปพลิกมือมาหรือว่าสนทนาพูดคุยกับลูกนะที่มาในรถ ด, ด้วยเวลาที่เรามีอยู่ในโลกนี้มันก็เหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีถ้าเราปล่อยเวลาแต่ละนาทีให้กับความทุกข์กับความหงุดหงิดนะใช้มันไปกับความหงุดหงิดอันนี้เรียกว่า ไม่ฉลาดเวลาเราเหลือน้อยแล้วนะแต่และนาทีที่ผ่านไปมันควรจะเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขมีความผ่อนคลายหรือว่าได้ใช้ประโยชน์นะไม่ใช่หมดไปกับความทุกข์หมดไปกับความหงุดหงิดให้การอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยสำคัญมากนะคนไม่ค่อยเห็นคุณค่า เคยมีคนมามาตามมาแล้วก็พอสนทนาสักพักนะแกก็ถามว่านเนี่ยทนะี่ว่าขอดยูแล้วขอขอคำแนะนำนะในเรื่องการปฏิบัตินะเพื่อการดำเนินชีวิต ก็บอกแกว่าเนี่ยก็ให้รู้จักอยู่กับปัจจุบันขณะแกทำท่า ง, งงนะไม่ใช่ไม่ขนะเข้าใจนะแกคิดว่าแกขคตรใจแต่แกรู้สึกว่าแค่เนียงเหรอนะแค่เนียงเหรออยู่กับปัจจุบันขณะก็บอกว่าเนี่ยสําคัญนะปัจจุบันขณะเนี่ยที่เราทุกข์ก็เพราะเราไม่ได้ไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบัน เราปล่อยให้เวลาแต่ละขณะเนี่ยมันหมดเปืองไปกับความหงุดหงิดความวิตกกังวลพาอใจเนี่ยมันไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าหรือยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่รู้แกเข้าใจหรือเปล่าแต่ละแกก็แกก็เล่าเรื่องประสบการณ์นะเรื่องอการทำงานแกแกเล่าไปเนี่ยนะ มันก็เป็นเรื่องของความวิตกกังวลนะเกี่ยวกับงานการนะและสิ่งที่วิตกเนี่ยและเหตุที่ทำให้วิตกก็เป็นเรื่องว่าเรื่องความสำเร็จว่าไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จไม่รู้ว่ามันจะเสร็จหรือเปล่านะบางทีก็คิดคิดไปถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วนะมีความเสียใจในสิ่งที่ผ่านไปแล้ว ไอ้สิ่งที่แกนเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องความทุกข์ที่เกิดจากการที่ไม่อยู่กับปัจจุบันขนาดทั้งนั้นแหละเพราะใจมันไปอยู่กับอดีตต้องไปอยู่กับอนาคตบ้างแกเล่ามาแท้แท้ไอ้สิ่งที่แกเล่าเนี่ยมันก็ล้วนแล้วจะเป็นผลจากการที่ไม่รู้จักเอาใจมีอยู่กับปัจจุบันแต่แกไม่เห็นนะแกถึงรู้สึกว่าไอ้การอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นคําแนะนําที่ดูเหมือนง่าย ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่ความของแกนี่ที่เล่ามาเนี่ยมันล้วนแล้วแล้วแต่เรื่องการที่ไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบันเนะีย่ยว่าแต่การทางานหรือการใช้ชีวิตเลยนะแม้แต่การภาวนาเนี่ยถ้าเราอยู่กับปัจจุบันไม่เป็นนะมันก็เครียดนะใจไปอยู่กับอดีตบังหรือไปจดจ่อว่าเมื่อไหร่มันจะได้ผลสักทีเมื่อไหร่มันจะเห็นผลสักทีนะ เมื่อไรมันจะสงบสักทีก็กลายเป็นรู้สึกนะหนุดหมิดกับอาการนะที่เป็นเกิดขึ้นทั้งทั้งที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรจริงความพุ้งซ่านที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยมันก็มาเพื่อให้เราได้เรียนรู้มาเพื่อเราได้ฝึกฝนนะ ให้รู้วิธีปล่อยวางไอ้ความฟุ้งซ่านที่เรารู้สึกว่ามันมารบกวนจิตใจทําให้ไม่สงบนะที่จริงมันมาในเพื่อเป็นครูนะมาเพื่อฝึกให้เรารู้จักรู้ทันมันอย่างรวดเร็วอย่างที่พูดไปเมื่อวานนะั้นมันมาเพื่อเราได้เรียนรู้ว่าเออไอ้ความฟุ้งซ่านความโกรธความหงุดหงิดเนี่ย มันมีหน้าตายอย่างไงนะมันมีอาการอย่างไรมันโผให้เรามาเห็นบ่อยๆเราก็จะจำมันได้พอเราจำลักษณะอาการมันได้พอมันมาครั้งต่อๆไปเราก็จะรู้ทันเหมือนเ ร, เราจำหน้าโจรได้นะเราจำเสียงได้พอเราจำได้นี่พอก็จะมาหลอกเรานะเราก็รู้ทันนะ เข้ามานะเพื่อให้เราฉลาดเพื่อเรารู้ทันนะถ้าเราไฝ่รู้นะเราก็ได้ประโยชน์ไม่ได้เสียประโยชน์เลยนะจากการที่มันมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นนะเราก็ได้เรียนรู้อันนี้ก็เป็นส่วนของการทาปัจจุบันให้ดีที่สุดนะหรือการอยู่กับปัจจุบันก็คือว่ารักษาใจไม่ให้ทุกข์แล้วก็หาประโยชน์จากทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นะระหว่างที่เดินทางน ะ, ะก็มีความสุขการเดินทางระหว่างที่ทำงานก็ทำงานด้วยความเพลิดเพลินตอนะที่ภาวนานะใจก็ไม่เครียดมีความพอใจในการภาวนาไม่ว่ามันจะถึงจุดหมายปลายทางหรือเปล่าหรือนะแม้จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นก็ก็ได้เรียนรู้จากอุปสรรค ก็ฉลาดขึ้นทุกทีฉลาดขึ้นทุกครั้งที่มีอุปรสรรคนะเครื่องบินจะมาหรือไม่อะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องการปล่อยวางนะมาก็ดีไม่มาก็ไม่เป็นไรนะก็ชื่นชมธรรมชาติไปหรือไม่ก็จิตชาไปแล้วก็ได้รู้เรียนรู้เรื่องการปล่อยวางไปในตัวด้วยนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความหมายการอยู่กับปัจจุบันนะ ทำปัจจุบันให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรือตอนนี้เนี่ยนะไม่ว่าทําอะไรเนี่ยหรือไม่ว่าเจออะไรเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งนั้นนะอย่าง น, น้อยก็ผ่อนคลายสบายใจดีกว่านั้นก็คือได้เรยรู้เกิดปัญญาขึ้นมานะมีความ มีคุณภาพจิตที่พัฒนาขึ้ น, น, นแล้วก็ชาติพธิ์เท่านี้